กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะโยมขอคําแนะนําเกี่ยวกับการพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตโจอืมอย่างเช่นเกสาเส้น มรรควิธีนี้จะหมดความสําคัญไปทันทีเพราะว่ามันเช่นบางที คนตายเน่าไฟไหม้หน้าตกน้ำตายแล้วก็น้อมนึกไปเกาะสัญญาละก่อสังขารมาปรุงแต่งเราก็ต้องแขนขาขาขาบตาย <c oughs> การเห็นโทษของกายด้วยการเห็นความไม่งามของกายการเห็นโทษของกายด้วยการเห็นความไม่งามของกายซึ่ง ละนันทิไปเรื่อยๆละนันทิละนันทิในการที่จิตเข้าไปเห็น เป็นมากวิธีเดียวที่ใช้เช่นพิจารณาผมก็ดู เส้นผมตกลงในอาหารมีใครอยากกินมั้ยไม่มีใครอยากกินนะเป็นที่น่ารังเกียจละๆผมขนเล็บฟันหนังเออกายนี้มันเออถึง ทำอะไรไปขนาดไหนมันก็จบเนาะไม่มีอะไรเหมือนโลกนี้มันมันไม่มีสาระละลายหายไปละลายหายไปเห็นนิ่งพิจารณา ทิ้งความคิดไม่เป็นนะละนันธิไม่เป็นไม่เคยเจอคํา โกรธมาปุ๊บอาตมาก็พิจารณากายเค้ากายเราเค้าก็เป็นศพเราก็เป็นนะโลกรดละนันทิละไม่เป็นอย่างนี้อืมก็ก็ต้องๆ นะเจอทั้งเกิดปิติเกิดความบ่อยๆเช่นแรกๆเนี่ยเราเรามีลมโกรธเป็นศพโอ้โห 10 นาที 20 นาทียังไม่หายโกรธสัก เข้าท่าล่ะใช่เข้าท่าต่อไปก็พินาปุ๊บทําอย่างเดิมอีกมันจะเร็วขึ้นแค่จะน้อมไปพินาเออเข้าท่าแต่ก็ยังไม่ไวพอหาอะไรที่ แล้วก็ดูว่าอ้าวขณะที่โกรธเนี่ยแล้วมันก็ดับไปได้นี่เออมันเร็วกว่าก็อ่าทีนี้เลยเปลี่ยนละไม่นะมาจับตัวอารมณ์เลยอารมณ์เกิดมาปุ๊บพิจารณา ก็ทําได้ดีขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้นโกรธมาปุ๊บพินาแรกๆมันก็ไม่ยอมลงหรอกแต่ตอนหลังมันก็เริ่มไวขึ้น เช่นว่าเรากลัวผีขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะก่อนเรากลัวมันน่ะมันจะเริ่มเห็นเพราะจิตมันเริ่มละเอียดขึ้นอ๋อมันปรุงก่อนนะว่าเราเดินไปมืดๆมาอ่ะจิตมันปรุงแรกๆเราไม่ แต่พอเรามาพิจารณาอารมณ์ตรงนี้เรื่อยๆๆบ่อยๆเรา เล่นน่ะอ่าสุภะไปเล่นเวทนาไปเล่นเป็นปี